การทำสมาธิคือการตัดอารมณ์ให้จิตได้รับความเป็นอิสระเขาถึงจะเข้าไปเป็นสมาธิได้ทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่การเป็นสมาธิเต็มภูมิเขาจะออกไป ทำความรู้จริงเห็นจริงในตัวของเขาเองทำไมเขาถึงเข้าไปรู้ทำความรู้ให้รู้จริงเห็นจริงความรู้ไม่จริงมันเป็นสายยึดมัน่นถือมัน่นมันเป็นสายยึดมัน่นถือมัน่นถ้าจิตเข้าไปรู้ ถึงระดับความบ้ารู้จริงเห็นจริงสายยึดมั่นถือมั่นนี้จะขาดเมื่อสายตัวนี้ขาดออกแต่และจุดละจุดละจุดละจุดละจุดจิตก็จะได้รับความเป็นอิสระเขาจะค่อยๆขาดไปค่อยๆหลุดไปค่อยๆเดินไปจนกว่าจิตจะ ขาดทุกเส้น่ะพลังของจิตหนุนด้วยสมาธิจะไปตัดความยึดมั่นถือมั่นถ้าตัดหมดทุกสายสำเร็จอนาคตพวกคุณเหลือกี่สายเอามาเอามาตัด เครื่องความพิเศษของจิตเยอะไหมเยอะบางคนนี่เยอะนะบางคนนี่เยอะมากจนเดินทาง มีปรัชนาไปไม่ได้เลยนะเราบอกไว้แล้วนะความรู้ประดับกับความรู้ถอดถอนนะรูปแบบของผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าอันนี้เป็นความรู้ประดับอันนี้เป็นความรู้ถอดถอนผู้ปฏิบัติจะเห็นเองนะปกติอาจาเขียน เป็ น, ม, นมันเหมือนรูปขวดนี่แหละความรู้ประดับเขาจะอยู่ข้างนอกคือรู้ไปเห็นไปอความรู้อ่อๆ น, นี่เขาจะอยู่ในขวดเขาจะอยู่ในขวด แ ต, ต่ ว, นะว่าลึกลับตายตัวก็ไม่ใช่นะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งเปิดเผยเพราะมีคนเข้าไปเห็นอยู่บ่อยๆต่ว่าลึกลับตายตัวก็ไม่ไม่ใช่พูดง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งชักนำให้เราเข้าไป ไปถึงระดับหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นบรรยากาศของทะเลธรรมะมหาสมุทรของธรรมถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยสินสมาธิก็หมดความหมายเราก็เข้าสู่โลกของความเป็นธรรมจิตตรงนี้จะเสพธรรมด้วยเสพมากรู้มากละมากไปพร้อมๆกันพอเข้าใจไหม จะลึกไปหน่อยเนาะเศรมากรู้มากละมากไปประมองกันเลยนะจิตไม่รู้จะไม่เกิดการละนะเขาเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงจิตมีความรู้มากเห็นมากขนาดไหน ความไม่จริงก็หลุดขนาดนั้นจิตรู้จริงเห็นจริงถึงแปดสิบเปอร์เซนสิ่งที่ไม่จริงก็หลุดไปถึงแปดสิบเปอร์เซนตพูดในสิ่งที่เข้าใจยากเนาะ เราหิวข้าวเราจะเอามิดมาถากความหิวให้มันหายไปได้ไหมเราต้องทำตามวิธีคือทานข้าวเข้าไปมีหน้าที่ทานอย่างเดียวนะความอิ่มกับความหิวเขาะจะเคลียร์กันเองเดี๋ยวนี้พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ ไม่ได้มีความกลัวผีเลยเวลาไปอยู่คนเดียวที่วังเวงทำไมมันกลัวเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันกลัวมันหายไปไหนให้ดู อารมณ์มีสามระดับอารมณ์อย่างที่หนึ่งคือฉุคิดขึ้นกลางใจอยู่นั่งอยู่เฉยๆก็ฉุคิดขึ้นมาเนี่ยจ่นมากเพราะเราจะคิดว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นร่างสังหรณ์เดิ ดังที่สองคือเขาออกไปเสพเองดางที่สามคือจิตรับอารมณ์มาอัานไหนจะแรงกว่ากันจิตรับอารมณ์ถ้าอารมณ์ไม่แรงเขาไม่รับ รับแล้วยังไม่พอนะใส่กระเป๋าด้วยไม่จะนอนให้หลับอารมณ์นั้นออกจากกระเป๋ามายุ่งเลยไม่หลับเลยนั้นคือจิตรับอารมณ์เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จิตเสนอสนองออกมารับหน้าโดยสถานการณ์เนี่ยนั้นคือธรรมชาตินั้นคือธรรมชาติ ถ้าเราให้คะแนนของความเป็นธรรมชาติก็เท่ากับว่าเราพร้อมที่จะไปเกิดไปตายอีกถ้าเรารู้ <c oughs> แล้วปล่อยไปนั่นคือบล็อกสิ่งที่ให้ชื่อคำว่าตรรนี้ หมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมดีกรรมชั่วเกิดขึ้นได้สามทางนะทางกายทางวาจาและทางใจเราคิดไปอิจฉาคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นบาปไหมรู้อยู่นะ มันห้ามยากอยู่นะสู้ยากอยู่แล้วบอกว่าถ้านกตัวเองลงไปกองไม่ได้อย่าอย่าอย่าโม้เลยอันนี้นะถ้านกตัวเองลงไปกองไม่ได้อย่าโม้เลย โม้เลยก็ ค, คือปฏิบัติฝืนไปเรื่อยๆนี่แหละฝืนไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยถึงจุดของเขาอะมันไม่จุดของมันอยู่นะจิตใจเนี่ยถ้าเขาเป็นสมาธิเต็มภูมิเขาพร้อมแล้วที่จะรู้ความเป็นจริง จะเป็นหมอก็เถอะจะเป็นพยาบาลก็เถอะอยู่ห้องผ่าตัดยังไงก็เถอะเห็นสดสดร้อนร้อนเลยปฏิกูลโสโครกนี่นะแต่เป็นหลักฐานพยานทางจิตใจพอที่จะให้ปล่อยวางได้ไหมไม่ได้เละไม่ได้ผู้มีฐานจิตที่รองรับด้วยการปฏิบัติด้วยธรรมเนี่ยเขาจะเกิดสลดสังเวชขึ้นมาทันที นะจิตมันโหดนะมันโหดมันโหดจริงๆอนะ่ะถ้าปฏิบาตาัติได้ความเพียรทุกข์อของเยอะเยวป่า เนี่ยถ้ามันอย่างที่ว่านั่นนะมีหน้าที่ทานข้าวเข้าไปความหิวแับความอิ่มเขาจะเคลียร์กันเองแต่ถ้าความอิ่มเกิดขึ้นความหิวหายไปไหนเ่รความหิวหายไปไหนเมื่ออาหารขาด ในท้องของเราขาดเวลาที่จะเอาลงไปความหิวมันมาจากไหนทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่จิตใจที่เดียวนะที่เดียวเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยที่ยังไม่ถูกปฏิบัติขาดเกา้านี่เป็นจิตใจที่โสมกุศลมาก สกปรกมากคนจะแต่งงานกันถ้ามีภาพของความโลภโกรธหลงอยู่ในจิตให้คนสองคนนี้เห็นจะไม่กล้าแต่งกันเลยเนะี่ยบางคนก็มากด้วยความโลภบางคนก็มากด้วยความโกรธ พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรจะพะุงพะดังเท่ากับความสุขกระปลุกของใจจบแล้วจบเลยนะจิตใจไม่มีครั้งที่สองนอกลงไปกองแล้วไม่มีไม่มีครั้งที่สองเลยพระพุทธเจ้ามาชูมือให้ทันทีเลยท่านเป็นผู้ชนะแล้วชนะแบบที่ ไม่มีคำว่าแพ้อีกเลยจะด่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่เขาจะด่าตอบนะเป็นเรื่องเป็นดาว ท, ที่ดีที่สุดก็คือด่าตัวเองนั่นแหละแต่ปุถุชนเนี่ยมันมัน รักษาใจที่จดจัดเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ได้ยากเหมือนกันนะใครเคยแผ่เมตตาบ้างแผ่กันยังไงแผ่กันยังไง กันยังไงนี่คือความไม่เข้าใจคาเพสตาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ยป็งไงนะลักษณะการแผ่ ลักษณะการเผ่เมตตาสภาพสต้าที่ไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วล่ะ สัพเพสตามันเป็นอากับกิริยาของการพูดนะเพื่อที่จะให้พิธีนั้นๆจบไปไปประกอบกับพิธีไหว้พระสวดมนต์เข้าใจไหมแผ่เมตตามันต้องแผ่ด้วยกระแสจิตนะอย่างเช่นเรากำหนดเข้าไปหาฐานที่ตั้งแล้วกะ แ่กระแสออกจากฐานที่ตั้งนี่จะเจาะจงไปหาคนใดคนหนึ่งคนนึกขึ้นมาองค์แห่งความเมตตานะี่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อแผ่ด้วยกระแสจิตพระพุทธเจ้ายังมีนะยังมีอยู่นะ เตตาเจตโตวิมุทแผ่เมตตานี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นด้วยนะเมตตาเจตโตบิมุนี่นะกำหนดจิตเข้ามาหาจิตแล้วแผ่กระแสจิตออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะถ้าเราทำอยู่บ่อยๆสมมติว่าเราเราเจาะจงจิตใจถ้ามันมันมีพลังด้วยการแผ่เมตตา มันจะเหมือนเราเอาแป๊บพัชรล่อนอะส่งไปที่เีนคนนั้นเลยนะมันไหนแผน่เมตตาออกก็รู้มันไหนไม่ออกก็รู้จนกว่าเขาจะอยู่ตัวใช้เวลานานนะองค์แห่งความเมตตาเนี่ย หลวงปู่มั่ น, นอ่หลวงปู่มั่นความเมตตาขององค์แห่งความเมตตาของหลวงปู่มั่นนี่สามารถที่จะสยบเสือพวกนั้นให้หยุดหมดเลยอ่ะมันขนาดไหนอ่ะแผ่เมตตาด้วยกระแสจิตสัเพสตานี่มันเป็นคำพูดนะถามว่าได้ผลไหมถ้าให้ตัมมาตอบคงย่อไม่ได้นะ คงจะไม่ได้ถ้าวันไหนแผ่กระแสแผ่เมตตาออกมันจะมองเห็นกระแสจิตตัวของเราเนี่ก็จะเบาแบบโอ้มันถ้าว่ามันสว่างสวไปหมดอันนี้คือ เราก็ไม่เราก็ไม่เคยเหรอกมาถึงอาจารย์บุญจันทร์ภาษาที่สี่เนาเมื่อฟังเทศท่านท่านก็บอกว่ากำหนดจิตเข้ามาหาจิตแล้วแผก่กระแสจิตออกไป เ, เราปฏิบัติมาเราก็พอที่จะรู้มงจรของจิตใจว่ามาทำทำก็รู้สึกว่าได้ผลนะได้ผลจริงๆ จะเพศจะตามเป็นคำพูดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการบ่มเพาะจิตจะให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิพยายามอย่าพิจารณ า, านั้นอย่าพิจารณา น, านี้พยายามอย่าแผ่เมตตาพวกนี้เป็นอารมณ์ที่กลางกั้นของความเป็นสมาธิทั้งนั้นแหละพิจารณ า, าเป็นอุบายที่จะให้จิตอยู่กับกาย จะให้มันเป็นพิจารณาให้มันเป็นวิปัสนาเป็นไปไม่ได้เพราะพลังจิตของเรายังไม่ผ่านการเป็นสมาธิเอาตามขั้นตอนที่อธิบายมานี่แหละทีนี้การออกกำลังจิตออกกำลังจิตนี่คือมันนั่งกำหนดมองที่ฐานไม่มีอารมณ์เจือปน นี่เขาเรียกว่าออกกำลังจิตออกกำลังกายต้องวิ่งใช่ไหมวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่สามชั้นเนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงสักสองร้อยเที่ยวเนี่ยนี่เขาเรียกว่าออกกำลังกายออกกำลังกายจะเพาะกายนี่ยให้มีกำลังขึ้นต้องออกกำลังให้ถูกวิธี ให้อาหารให้ครบมูแต่ออกกำลังจิตไม่ได้เสียสักสลึกกำหนดจิตเข้ามาเป็นหนึ่งไม่ได้คิดอะไรสักอย่างได้สักห้านาทีเอาหนึ่งนาทีเอหนึ่งนาทีให้พวกคุณ มีความบริสุทธิ์ใจกับตัวเองว่าคิดหรือไม่คิด<ม>เข้าใจไหมก<ม>่อนนอนห้านาทีไม่ต้องไปเอามากถ้าเอามากเกินกว่า น, นั้นไม่ได้ตื่นนอนมาห้านาทีก่อนนอนห้านาที ต้องเช็คความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะห้านาทีนี่นานไหมถ้าจะเอาบริสุทธิ์ของการกำหนดนานนะนานนะอยากทราบว่ามันจะเดินขึ้นหรือจะเินลงตรงที่การกำหนด การกำหนดได้ห้านาทีก็รู้สึกว่านิดเดียวความได้ของการกำหนดก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ถ้าห้านาทีรู้สึกว่านานจิตใจก็รู้สึกว่ารักษายากเสเหลือเกินอันนี้คือเสื่อมถอยลงแล้วแต่ขอให้พวกเราได้เช่า เช้าห้านาทียันห้านาทีจากนี้ไปถึงวันออกจากเมืองมนุษย์ <c oughs> ก็มหาศาลของกองบุญแล้วอยากกราบองไหนป น, นึกไปเลยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไปเกร็จ <c oughs> แล้วก็ามารวมลงที่ใจอารปูนะป่นั้นลงรปูนี้การนึก การส่งไปเนี่ยม่นเสียตาม่าเสียไหมไม่เสียรรเพราะเราส่งเองถ้าเขาไปโดยการที่ไม่ได้รับการรักษาจากผู้มีสตินั้นคือเสียถ้าเราส่งไปคือกันยังไงนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมพระสงฆ์มันเป็น สิ่งที่จะยกระดับใจิตใจทั้งนั้นน่ะสุดท้ายก็รวมเข้ามาอยู่ฐานที่ตั้งห้าหนาทีไม่ได้เพราะได้ไหมก่อนนอนแล้วก็คือเรามาประเชิญ หลายหน้าหลายตาหลายคำพูดหลายอากับกิริยา ก, กลับไปอ่ะก่อนนอนนี่ต้องเช็ดถูก่อนห้านาทีเช็ดถูก่อนมันติดฝุ่นติดอะไรบ้างกวาด่านอนระยะล้มตัวลงนอนไม่ต้องคิดอะไรมองฐานที่ตั้งหลับไปเลย เวลารู้สึกตัวกันมาตอนเช้าจะไปทำทุลชนตัวก็เอาสักห้านาทีเช็ดถูก่อนออกไปประเชิญปากประเชิญที่ทำงานให้เขามีภูมิต้านทานสักหน่อยให้เขามีเชื้อปกป้องตัวเองได้ทำอย่างเงี้ยมากกว่าเราใสบาททุกวันอีก บุญอันนี้คุณภาพสูงนะจะทำยังไงอ่ะลับปากแล้วนะว่าจะทำถึงมันตาย <c oughs> <c oughs> สัญญากันแล้วนะแค่นี้พวกเราก็ก็สู้ตัวเองไม่ได้นะ เ้าบอกแล้วว่าจิตใจดวงนี้เขาร้อยเล่พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมนิดเดียวแค่นี้เขาเอามาเป็นปัญหาเลยถ้าเขาไม่อยากไปแค่นี้ถ้าเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นให้รู้จะว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นตัวหนังสือก็จัดเข้าเป็นนามธรรมจัดเข้าเป็นนามธรรมนะไม่มีรูปแบบใครเรียนหลักสูตรอะไรจบก็คือจบในตัวหนังสือถามว่าตัวหนังสือใช่สมาธิไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะสมาธิจริงๆไม่มีตัวหนังสือแต่อาิัยตัวหนังสือนั่นละ่ะความเข้าใจในตัวหนังสือ เพราะฉะนั้นรูปแบบธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนามธรรมถ้าพวกเราไม่ช่วยกันดึงจิตบิน ญ, ญาณอันสิงสถิตยอยู่ในกายของเรานี้ออกมารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะไปรู้ได้อยากถามข้อนี้อะใครจะไปรู้ได้ พระพุท ธ, ธเจ้าเป็นครูสอนของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหวังผลที่สุดก็คือมนุษย์เรานี่เองเพราะเป็นภพภูมิที่จะสร้างความเป็นอริยะให้เกิดขึ้นได้ใครจะมาพูดขนาดนี้ เทวดาเขาทำไม่ได้นะเพราะเขาไม่มีร่างกายเป็นตัวเชื่อมเทวดาเขาทำไม่ได้มนุษย์นี่แหละจะสร้างความเป็นอริยะบุคคลขึ้นได้แต่มนุษย์มันหลากหลายสิ่งของมันก็เลยทิ้งทำชาวพุทธกับพุทธศาสนาก็เลย หันหลังให้กันเสียเดี๋ยวนี้นะหันหลังให้กันเสียชาวพุทธเอาพระพุทธศาสนาไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาเอาไปเป็นแก่ ก, กันประดับบ้านแล้วเอาพระพุทธศาสนาไปเป็นสิ่งประดับหน้าบ้านไว้เฉิ แต่ก็ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมปฏิบัติจะไปทำงานก็ผ่านพุทธศาสน า, าไปทำงานกลับมาก็ผ่านพุทธศาสน า, าเข้ามาก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นคุณค่าที่เราเอามาฝากพวกคุณวันนี้ มหาศาลนะมหาศาลถ้าพวกคุณโยน์ทิ้งตุ้มไปแล้วก็คือหมดความหมายไปเลยถ้าคุณยังใคร่ครวนอยู่ยังมีการตระพืชปฏิบัติอยู่ตัวนี้แหละจะเป็นผลหลังการตายหรือว่าพวกเราจะไม่ตายไม่ตายก็แล้วไปนะเราจะตาย มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้จะมีชีวิตสักสองพันปีอยู่ในเมืองมนุษย์กุสร้างบาปสร้างบุญแค่นั้นแนะ่ะความสะอาดทางใจไม่ได้ดุจเหลียวแลเลยเพราะฉะนั้นมองมุมกลับเข้ามาหาตัวเองทางใจบ้าพร้อมหรืยอยัง อยากให้พอกเราให้ความสําคัญตรงนี้ถ้าไปไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็ไปด้วยธรรมชาติไม่สงสารตัวเองเหรอทําไมพวกคุณไม่ถามหมูหมากาไก่บ้างทําไมพวกคุณมาเกิดเป็นหมูหมากาไก่อย่างเงี้ยทําไมไม่เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเรา ถ้าเขาตอบเขาก็จะตอบว่าโอ้เรา่าก็อยากจะเป็นมนุษย์เหมือนกันละ่ะแต่บุญมันไม่พ อ, อยังไงก็เลยมาเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าเขาพูดกลับมาอีกอทีนี้เขาบอกว่าท่านอะในเป็นมนุษย์นะพบน้ชตินี้ถ้าไม่ขยันทำบุญเกิดบุญไม่พอท่านจะไปไหน ท่านต้องมาเป็นเพื we ่อนเราเนี hmm, oh gosh, ่ยเนาะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยใช้ได้ทุกภพทุกชาติแต่ผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาสามารถที่จะแปลทรัพย์ให้เป็นอริยทร้พยาไมีคนมาหลาย ยีเนี่ยนะคือให้ทานไปมันแปลเป็นอริยทรัพย์นั้นคือแรกแรกเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ในในคือพุชลาสสิ่งของที่นั้นก็ให้ทานไปแต่ชาวพุทธเราไม่อยากพูดหรอกเราไม่อยากพูดแลกดนะการให้ทานเนี่ย มันอยู่ในระดับของจิตใจจะเอาเราว่ามันไม่ได้การให้ทานเรานี้ยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากเรานี้เป็นคนให้มาตลอดมีหมอดูดวงคนหนึ่งเขามาดูนะเขาบอกว่าโอ้ดีมากเลยท่านพระอาจารย์เข้ามาบวชนี่นะ ถ้าไม่บวชนี้ไม่มีอะไรจะกิดสมมุติว่าพระอาจารย์ไปขายขนมจีนหมดทั้งขนมจีนทั้งหมอ้อทั้งไห้ท า, ทานเขาไปหมด <c oughs> ไม่มีอะไรอะ่ะออหมอดู ด, ดวงมันก็นั่นเหมือนกันนะแต่การปฏิบัติทางใจนี้คือการเหกสนามโลกหลอกลวงนะ่ะ เราให้อุบายไปแล้วจะได้หรือไม่ได้มันอยู่กับพวกคุณนะเราว่านี้ดีกว่านะไม่ไม่มีใครได้อะไรแล้วล่ะเอาคิดคิดคิดตามคำพูดของเราอะ่ะคิดถึงผู้มีมากที่สุดคิดถึงผู้จนที่สุด ท้ายเราชอบนายกคนหนึ่งนะในประเทศไทยชอบนายกคนหนึ่งเขาเป็นธรรมดีนะสมบัติสุนทรเวทเขามีพระเครื่องเต็มบ้านเลยนะจะไปบ้านสมัครนี้ต้อง เข้าไม่ได้ตู้มันแน่นเอียดเลยสมเด็จว่าระรังทําออกมาจะอยู่ในนั้นครึ่งหนึ่งจะอยู่บ้านสมัครนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศสุดท้ายพระลอด สมัครไม่รอดของครั้งที่ดีที่สุดก็คือความสะอาดทางใจทำไมพวกเราอ่อนแอจังอะถ้าพูดถึงความสะอาดทางใจอะถ้าเป็นอาตมาลุกแล้วหาปานนี่นะ <c oughs> จะเอาอยัางไง เราจะให้กันบ้านไว้นะเช้าห้านาทีเย็นห้านาทีแล้วก็ให้รู้ธรรมชาติของจิตที่เป็นอยู่จิตที่ออกมาเสนอหน้ารับสถานการณ์ต่างๆนี้คือธรรมชาติพอที่จะเข้าใจไหมเนี่ย สมมติว่ายกความโกรธที่เป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพจิตเดี๋ยวเนี้จิตใจของเราโกรธเต็มร้อยเปอร์เซ็นล่ะเราผู้เป็นเจ้าของจะทำยังไงตั้งสติดีๆแล้วเข้าไปดูจิตกำลังโกรธเต็มที่เข้าไปดูแล้ว ให้รู้ว่าอันนี้เขาเป็นมานานแล้วพอเข้าใจไหมอันนี้เขาเป็นมาหลายพบหลายชาติแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เขาเป็นอีกต่อไปพอเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นอาการไม่ใช่เฉพาะความโกรธตรงนี้นะอาการที่ไปชอบคนนั้นไม่ชอบคนนั้นอิจฉาคนนี้คือเขาเป็นมานานแล้วสถานการณ์ที่จิตมันมันยกระสายฟ้าฟ้าแรบเลยนะเจอสถานการณ์ปุ๊บปั๊บปั๊ บ, บ, บตามรับแขกทุกสถานการณ์ นี่คือธรรมชาติถ้าเรารู้ว่ า, าเขาเป็นมานานแล้วตัวนี้ดับเลยนะลดคุณภาพของการทำลายลงทันทีเข้าใจไหมนอ้องลดคุณภาพของการทำลายลงทันทีถ้าเป็นยาพิษก็ไม่มีพิษแล้ว เราให้ความสำคัญทีเดีะสชวนมากคนทั้งหลายจะเข้าไปพร้อมที่จะด่าโต้ตอบส่งเสริมสเสนอสนองและลึกสติเข้ามาเป็นทีมของเราเข้าไปดูนายะที่จิตกำลังแสดงความโกรธอยู่เรารู้เลยว่าเอ๊ะนี่มันถือมาหลายภพหลายชาติแล้วนี่ นี่เราเป็นบอกเกิดแห่งความเกิดความตายเราไม่เอายุดเข้ามาที่ฐานเดี๋ยวนี้เขาแสดงอยู่ทุกบทบาทพวกเราไม่เห็นเลยเข้าหูเข้าตาเขาก็แสดงไปตามบทบาทนั้นๆ น, นคนทั้งหลายอยู่เนี่ยถ้าเขาหามพระพุทธรูปเข้ามาหนึ่งองค์อย่างเงี้ยความคิดของคนนี่แตกกระจายเลยไปจะให้ตรงกันเบสนี่ไม่มี ต้องมีคนในคนหนึ่งตําหนต้องที่ใดที่หนึ่งก็ได้นี่คือธรรมชาติทีนี้เราจะรบเดือนความเป็นธรรมชาติตัวนี้เข้ามาเป็นความรู้สึกให้สร้างพลังจิตอ่ะโอ้พลังจิตนี่มันใช้ได้มันใช้ได้ทันควันทันอกจริงๆนะเวลามันโกรธใครอยู่จะ โยนก็โยนตุ้มเลยนะแต่พวกเรานี่โยนไม่ได้เพราะมันพลังพลังสะสมพลังไม่พอเราถึงตกเป็นธาตุของความสุกปรุกของจิตตัวเองเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้พวกเราสะสมพลังจิตได้ไม่ถึงกับไม่ถึงกับ บ่าเป็นสมาธิเต็มภูมิก็ขอให้เขามีภูมิต้านทานสักนิดหนึ่งจะเป็นคะแนนต่อนักปฏิบัติธรรมจริงๆเราด่าคนอื่นด่าได้สบายนะแต่ตัวเองนี่ไม่ยอมเปิดเผยความผิดของตัวเองเลย ความผิดของคนอื่นนี่นั่งสุมหัวกันกินทั้งมันก็ยังได้รู้ไหมว่าจิตกินอารมณ์ไม่ได้เคี้ยวได้อะไรเลยเสพด้วยคำพูดอันนี้เสียประโยชน์นะเวลาของเราถึงจะไม่ถึงร้อยปี ก็เป็นเวลาที่เหลือน้อยที่สุดเรากำลังยุ่งเหยิงกับใครเกี่ยวข้องกับใครอยู่เดี๋ยวนี้ประชาตัวเองออกมาความเป็นอิสระของกายพร้อมที่จะเป็นอิสระของใจถ้าปฏิบัติธรรมบริกรรมพุทโธกำหนดจิตเข้าไปนั่นคืออิสระทางใจเดีย๋ยวนี้พวกเรา ลักพวกวนบนอยู่ในมหาวิเลยของพันิพานจะทําอะไรก็ไม่ทําหลวงพ่อวิริยังก็จุงมือมาใส่บันไดพันิพานก็ไม่เดินเอาตัวหนังสือพระพุทธเจ้าก็เอามาไม่มหาเลายของพันิพานก็ไม่เรียนแต่ลึกๆของหัวใจอยากไปพันิพานเอออันนี้หลวงปู่คุณบอกว่าเอาไปฆ่าให้อีแร้งกิน พวกเราอ่ะสงสารตัวเองเถอะเถอะขอให้สงสารตัวเองให้ถูกทางการปฏิบัติธรรมการกำหนดจิตการเดินออกจากความโลภความโกรธความหลงถือว่าตัวเองกำลังมอบอาหารใจให้กับตัวเองได้ดีที่สุดครับใครไม่ใช่เม่อมี พรพเจ้าบอกตั้งแต่ต้นทางแล้วระวังนะชาติปัจจุบันน่ะท่านได้ร่างกายอันนี้มาเที่ยวในเมืองมนุษย์เป็นชายบ้างเป็นหญิงบ้างเข้าไปในเมืองมนุษย์ระวังนะโลภโกรธโงงอิจฉาพยาบาทรู้สึกว่ามีบทบาทเสนอเกินถ้าท่านรักษาตัวไม่เป็นท่านจะตกเป็นธาตเหล่านี้ทาตเหล่านี้เมื่อเขาให้ผลก็คือกรรม ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่าได้มางง่ายๆไม่ใช่ว่าได้มางง่ายๆได้มาแล้วต้องรักษาให้เป็นต้องใช้ให้เป็นมันสำคัญอยู่นะ <c oughs> สำคัญอยู่นะความสมบูรณ์ของกิเลส สมบูรณ์อยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละพบภูมิอื่นก็สะสมกิเลสเหมือนกันแต่ไม่ครบวงจรสมมุติว่าไปเป็นเปรตเป็นผีก็ไม่ได้มีหลากหลายที่จะสะสมกิเลสทางหงูทางตาขนาดนี้ไปเป็นเทพ บ, บุตรเทวดาก็ไม่ได้มีหลากหลายเหมือนเมืองมนุษย์นะไปเป็นอินเป็นพรหมก็ไม่ได้มีหลากหลาย ที่มีร่างกายอยู่ในโลกใบนี้ก็คือมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นนอกนั้นเขาเป็นกายทิพย์ความเป็นกายทิพย์เนี่ยสะสมกิเลสไม่ได้เต็มร้อยเหมือนมนุษย์เดรัจฉานเขาก็อยู่ตามพบตามชาติตามการตามเวลาของเขานะมนุษย์นี่รู้สึกว่า ครบถ้วนเฉลี่เกินถ้าท่านรักษาตัวไม่เป็นท่านจะออกไปพร้อมกับคําว่ากรรมพรวกเราไม่ถูกถ้าด่าคนอื่นอิจฉาคนอื่นถือว่าเราสร้างกรรมแล้วถือว่าเราสร้างกรรมแล้วจะทํำยังไงการปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตให้สูง กว่าสิ่งที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเต็มๆในการสร้างบาปสร้างกรรมนะเดี๋ยวนี้นะมองเห็นสิ่งได้สิ่งหนึ่งถ้าถูกใจมันก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้าไม่ถูกใจมันก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งทันทีเราบอกได้เลยทันทีนั่ก็หมุนอยู่อย่างนี้ตลอดวันนะาการท่องเที่ยวของจิตไปกับอารมณ์เนี่ย เขาจะแปรสภาพของเขาไปเรื่อยๆเจอความโรบเขาก็จะเป็นสีหนึ่งเจอความโหลงเขาก็จะเป็นสีหนึ่งเจออีกสิ่งหนึ่งเขาก็จะแปรสภาพไปเรื่อยๆเสรไปเรื่อยๆคว้างไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ตลอดเราเราจะปล่อยให้เขาท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้เหรอแล้ววัด ถ้าสุดท้ายดีกว่าไหมขยันแขยันกว่านี้สักหน่อยเตะโดงเลย <c oughs> ลองให้เราสงสารนะเราเราเรานึกไม่ออกเลยว่าพวกคุณจะไปยังไง ถ้าพวกคุณมายืนอยู่ตรงนี้ก็จะคิดเหมือนน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงสภาพจิตใจของพวกเรามันเหมือนดักแด้มันทำอะไรไม่ได้เลยปลายตรงกันข้ามที่ว่าดีนี่มันก้าวเข้าไปไม่ได้เลยนะ่เพราะมัน โบลบโกรธหลงสะกดอยู่แล้วก็ไม่มีพลังเลยไม่มีภูมิต้านทานมันมันถึงมันถึงปี๊ดเดียวเจอเรื่องอะไรขึ้นเลยนะเข็มวัดมันขึ้นเลย อันนี้อันนี้สงสารกันจริงๆนะสงสารกันจริงๆจะทำยังไงให้มีภูมิต้านทานทางใจพอที่จะหมุนเข้าไปการเป็นสมาธิได้เทคโนโลยีนี้ก็เป็นผลเหมือนกันนะโทรศัพท์นี้เป็นฉนวนของใจได้ดีที่สุดเราก็มาอ่อนใจกับสิ่งเหล่านี้แหละเพราะเขามีบทบาทที่สำคัญกับมนุษย์เสเหลือเกิน ถ้าเป็นเราเนี่ยกว้างกว่านนะจิตเป็นสมาธิถึงอยากเอามาตระยะบ่มพาะที่จิตจิบให้เป็นสมาธินี่จะไม่เล่นอะไรเลยจะไม่เล่นอะไรเลยตัวนี้ก็ตัวสำคัญเหมือนกันนะถามว่าเขามีประโยชน์ไหมประโยชน์เขาเยอะจริงๆแต่เขาสามารถที่จะ แจกจำแนกแจกจ่ายไปทั่วโลกทั่วคำว่าทั่วโลกนี่ชาติภาษานะชาติภาษายังไม่พอฐานะของความรู้ความเห็นชาติภาษาฐานะของความรู้ความเห็นความรู้ระดับด็อกเตอร์กับความรู้ระดับกอไก่มีให้ดูทั้งนั้น ต้องการดูระดับไหนองโห้นี่เก่งมากแต่เขาโง่ไหมเขาโง่อยู่นะเขาเช็คความเป็นจริงของพระพุทธศาสนาไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าแน่จริงนี่ถ่ายทอดสดพระนิพพานมาให้เราดูสิหรือว่าถ่ายทอดสด ที่ไหนก็ได้มันมันไมน่แน่จริงตอนนี้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยู่ที่ไหนยิงไปเลยอ๋ น, นี่เขาไม่ได้ตรงนี้เขาไม่ได้ตรงนี้ลักฐานของพระพุทธศาสนาถ้าเทคโนโลยีเขาไปรู้ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีความหมายนะ ไม่ได้มีความหมายเขาแน่จริงๆโทรศัพท์นี่นะถ้าไม่มีโทรศัพท์นักเลงบุ่นวายพวกเล่นหน้าจออยู่ห้องสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนี้คงจะออกมาบอกวนประเทศพอสมควร น, นะอันนี้มันติดหน้าจอ <laughs> มันก็เออมันสามารถที่จะมอมเมาโลกให้มาติดอยู่จอสี่เหลี่ยมนี้ได้อย่างสบายแต่ถามว่าเป็นโทษไหม <c oughs> เจอมาเจอมากความสะดวกสบายที่พวกเราได้รับจากเทคนโนโลยีนี้คือเขาฆ่าความอดทนของมนุษย์ทิ้งหมดแล้วความอดทนของมนุษย์นี่ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ เมื่อไม่มีจะเอาเข้ามาปฏิบัติทาให้ถึงความเป็นสมาธิให้ถึงสภาวะของความเป็นทะเลธรรมเนี่ยยากจา ก, จากแต่ก็ได้อยู่นะเราสงสารพวกคุณนะเ ส, สียเวลามาขนาดนี้ถ้าเอาไปทิ้งนี่ก็ถือว่าเป็นคนฉลาดน้อยหนอ ถ้าเอาไปปฏิบัติต่อก็ถือว่าฉลาดมากจะทำยังไงถ้าเรามาบี้พวกคุณลักษณะวันนี้สักสามครั้งนี่โอเคนะ วันนี้ให้ตั้งแค่หนึ่งนาทีแค่ห้านาทีนะให้รู้จักฐานที่ตั้งให้รู้จักสิ่งที่เอาไปตั้งให้รู้จักอารมณ์ให้รู้จกัจากการดึงตัดกระแสเข้ามาไว้ที่ฐานส่วนฐานที่ตั้งใครถนัดตรงไหนได้เลยอันนี้กำหนดเป็นกลางๆไว้วเฉยๆหลถ้าใครถนัดที่ไหนก็ได้เลยถ้า เป็นในร่างกายของตัวเองแต่ตรงนี้หรือว่าเราเข้าข้างตัวเองแล้วก็ตรงนี้น่ะเวลาจะเป็นมาที่มันเวลามันโหดตัวนี่มั น, มนคล้ายๆจะคล้ายๆกับโฟมถูกน้ำมันเบนซินอ่ะมันจะโหดตัวเขาไอ้มันบีบเข้ามา แต่แล้วก็มอง อ, อันนี้มันเป็นอาการของจิตมันก็ไม่ได้บีบอะไรความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้จิตถอตัวจากความเป็นวิปัสสนามันต้องพยายามดูอยู่เรื่อยๆว่าไม่ต้องไปดูอะไรมากแบบดูกายดูเวทน า, นาดูจิต เวลาเราเดินวิปัสสนาเราตั้งความคิดของตัวเองให้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินนะว่ารูปร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราเบธนาก็ไม่ใช่เรา ตั้งตายตัวไวเลยถึงจะยังไม่เห็นจริงรู้จริงเห็นจริงก็ตั้งตายตัวไวเลยแล้วก็มันดูอยู่เรื่อยๆดูกายดูจิต ด, ดูเวทนากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละกลับไปกลับมาแต่ตั้งไว้ว่าจิต ก, ก็ไม่ใช่เวทนาจิต ก, ก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนา กายก็ไม่ใช่จิตเวทารูปก็ไม่ใช่จิตอยู่อย่างเงี้ยเวทนาก็ไม่ใช่จิตรูปก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เวทนาจิตก็ไม่ใช่รูปถ้าได้จุดใดจุดหนึ่งพลังจิตพออะไรพร้อมพวกนี้จะหดตัวเข้ามาทันทีนะพวกที่กาลังติดกันนี้จะหดตัวเข้ามาทันที หดจากเวทนาหดจากกายหดจากสัญญาสังขารวิญญาณหดตัวประมาณเลยนี่เขาเรียกว่าเจริญบิปัสสนาอันนี้คือคือ ค, ความรู้ถอนถอนนะต้องซ้ำาๆศึักษาอย่าคิดว่าดูครั้งเดียวให้เป็นไปเลยไปเปินไปไม่ได้ ต้องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจดกว่าอาการนี้จะหดตัวเข้ามาถ้าหดตัวเข้ามาสามตัวนี่ห้าตัวนี่หมดเลยรูปเบทนาสัญญ า, าบิน ญ, ญาณหมดเลยหมดเลยเพราะฉะนั้นพลังจิตเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าขาดสมาธิเสียตัวเดียวจะทำงานระดับวิปัสนาไม่ได้เลยจะทำงานระดับรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เลยความรู้จริงเห็นจริงนี้คือลักษณะอาการของปัญญาเมื่อถึงตรงนี้แล้วจิตก็ได้หลักฐานพยานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเขาก็จะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสุดท้ายไม่พูดถนะึงวันนี้นะ ถ้าพูดจบพวกคุณได้กำไรเกินไปแล้วจะจแวนไว้เรื่องหนึ่งแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดไงมิปเสนาในโอ้ความรู้ความเห็นเขาเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะมาก เราทำอะไรกันอยู่ไม่สงสารตัวเองเหรอจิตใจที่มีความสุขความสบายกับจิตใจที่ยังไม่ได้ขัดเการู้สึกว่านคนคนละระดับห่างไกลกันมากแล้วพวกคุณยังตายใจอยู่เหรอเราว่าไม่น่าตายใจนะ ถ้ามันถึงจริงๆนี่ร่างกายเราเหมือนแก้วเนี่นะถ้าด่างจริงมันออกไปแล้วเหมือนเศษอิฐเศษไม้ธรรมดาเนี่ยนะการรักษาจิตเนี่ยคือการสร้างพรนนิพพาน ทำไมเราไม่ตื่นเต้นกันสมมติว่าเขาแจกเงินอยู่วัดอโศการามใครไปถึงได้เลยทันทีหนึ่งแสนบาทเราจะมาคงจะไม่มีใครฟังเทศนะครับนั่นคือพลังของกิเลส เข้าใจไ้ยนั่นคือพลังของกิเลสพลังของธรรมนี้ขึ้นคับเอาแล้วขึ้นอีกประกาศแล้วประกาศอีกยูทูปกว่าประกาศถ้า <c oughs> เป็นเรื่องของกิเลสเดียว <c oughs> นี่คือเรื่องของธรรมเรื่องของกิเลสเดียว <c oughs> มันเอาตายเลยนะแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรมาถึงขนาดนี้ก็ให้พวกเราเอาความเข้าใจเนี่ยตามระดับตามขั้นตอนที่เทศมานะกําหนดจิตไว้ที่ฐานจนกว่าอารมณ์จะขาดอก อ, าาาดอกอย่างมาตรฐานขาดออกอย่างมาตรฐานแล้วจะกลายไปเป็นสัมปชัญญะ สัมปชัญญะอยู่สักระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะเป็นสมาธินี่คือตามขั้นตอนจากการเป็นสมาธิแล้วก็คือเข้าไปรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่คือปัญญาธรรมนี่คือปัญญาธรรม ความรู้จริงเห็นจริงนะนะั่นน่ะคือหลักฐานของปรอมกับของจริงที่เราเข้าใจอยู่เขาจะเทกันตรงนั้นแหละค่อยๆเทกันเทกันเทกันจุดท้ายก็มาเป็นวิปัสสนาที่หดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาถ้ามันหดเข้ามาจริงๆแนละ้วเราพักระยะหนึ่งบำนุงรักษาความเป็นอิสระของจิต ส่วยขนาดไหนรู้ไหมไม่มีสิ่งที่จะเปรียบเทียบให้ฟังให้ได้เห็นเลยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าสายอิจระเขาหดตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเดินตามสเตปเนี่ยพวกคุณจะไม่หลงถ้าพวกคุณไปหลงในการรู้การเห็นคือข้างนอกสิ่งที่ถูกรู้ กับผู้รู้คือใครสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเขาให้ประโยชน์ยังไงใครเป็นผู้เห็นต้องตามร่าผู้เห็นให้ได้ถ้าไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่ถูกเห็นพังไปเลยในะงานนี้นะ่ะพังไปเลยการอัตมาเห็นหวยเนี่ยนะโอ้เห็นก็เห็นไป ไม่ได้มีความหมายอะไรหรือถ้าลองไปซื้อดูสิงานนี้มันจะยุ่งลองไปซื้อดูยุ่งเลยล่ละก็มารู้ทีหลังนี้ว่าอ๋อมันดีในไม่พูดเนาะมันดีที่เราไม่พูด ดียังไงถ้าพูดออกไปสักงวดสองงวดนีรถมาแน่เขาซื้อรถมาถวายแน่ถ้าเหลืองก็จะร้อนนะเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองความแน่ของผู้เห็นไม่พูดเนี่ยเป็นความเท่ของนักปฏิบัติธรรมอยู่นะจะมาดูเนดะ้อโอ้ถ้าเราพูดเราตาย พวกเราก็เหมือนกันสิ่งที่เห็นภายนอกอย่าให้ความสำคัญความรู้สองอย่างเนี่ยความรู้ประดับกับความรู้ถอดถอนนี่ต้องแยกออกให้ได้ถ้าใครเดินตามสเตปเนี่ยความพิเศษของใจความเป็นฌานเป็นญาณเกิดได้ที่ใจที่เดียวจะบอกให้ ความเป็นฌานเป็นญานอันนี้มันทุกคนหรอกแต่เราไม่อยากพูดมันทุกคนที่จะผ่านไปตรงนี้ความเป็นฌานเป็นญาณ น, นี้เกิดขึ้นได้ที่จิตใจที่เดียวความเป็นสมาธิก็เกิดขึ้นได้ที่จิตใจที่เดียวการที่พวกเรากำหนดจิตให้ไปเป็นความรู้สึกนั้นคือการ เผาผลานกิเลสให้เดือดร้อนถ้าความรู้สึกอยู่ได้ น, น, นานกิเลสจะมีกี่สายพันธในโลกกระธาตุอันนี้เขาจะแห่มาตายอยู่ที่ใจของเราที่เดียวพอเข้าใจไหมอาพุคุณมาเทศบ้าง เราให้พวกคุณหมดเลยนะฉะนี้ที่หมดเลยนะวันนี้นะนนหมดเลยนะจะทำยังไงแม้นนแต่ชื่อนามสกุลก็ยังปลอมอยู่นะเดี๋ยวนี้นะนนเขาให้แบบปลอมๆไมว้นะเพราเราก็มาถือเป็นยิง อ, อา้าชื่อนามสกุล ตลอดถึงบ้าน่ะทุกจะลางเซนเน่ยมันไม่ใช่เนะี่ยชื่อนางสกุลฮะไม่ใช่อนะ่ะพวกคุณยังไม่เคยเห็นหน้าตัวเองสักทีเดี๋ยวนี่นะี่ยอันนี้มันเป็นก้อนบุญนะที่มองเห็นกันอยู่เนี่ยก้อนบุญตัวจริงของเรามันสิงอยู่ข้างในยังไม่เห็นถ้าเป็นสมาธิเมื่อไหร่เห็นล่ะ อย่างนี้พอเรามาประคบประงมกับสิ่งที่ไม่ใช่เราโคเส้นยึดมั่นถือมั่นนี่มันมันพอสมควรนะที่จะเข้าไปถึงจุดที่คำว่าขาดได้นี้ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ว่าอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าใจเถอะ เราเดินอยู่นั่งรถอยู่ในลำปางเนี่ยไปเห็นคนมีอายุดูทีวีดูนั้นโ อ, อ้เราสะรวดสำดสังเวชนะด้วยความไม่รู้ตัวของเขานั่นะ่ะเราสำรดสังเวชเอน่าจะกำหนดจิตเป็นบุญอยู่ตลอดเวลาเนาะ คนที่เราตามหาคือใครคนที่เราอยากได้แล้วก็อยากตามหาคือพวกที่กเกษียณแล้วคุณหญิงคุณนายทั้งหลายคนเหล่านี้มีคุณภาพต่อประเทศชาตินะเราอยากตามมากำหนด จะเป็นการเสนอสดองทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทางชาติไปด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์องค์ประกอบของศาสนามีกี่อย่างศาสนาสถานศาสนาพิธีศาสนาธรรมศาสนาบุคคลสี่อย่าง อย่างเนี้ยพวกเรามาให้ความสําคัญอยู่ศาสนสถานกับศาสนาพิจิตเมื่อมาให้สําคัญอยู่สองศาสนานี้ศาสนาที่สําคัญคือศาสนาธรรมกับศาสนาบุคคลก็เลยไม่มีคุณภาพถ้าศาสนาบุคคลไม่ยึดละศาสนาธรรมแล้ว ศาสนาเนี่ก็จะบิดไปบินไปเข้าใจหลวงพ่อโตไหมหลวงพ่อโตนั่งสมาธิหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธโยมไปเห็นหลวงพ่อโตรบริกรรมพุทโธก็หาว่าหลวงพ่อโตเป็นผีผ้าทีนี้อากับกิริยาหนึ่งหลวงพ่อโตกำลังพรมน้ามนต์เต็มที่ โยมมาเห็นโยมก็บอกว่าโอ้โหท่านดีจริงๆหลวงพ่อโตก็เลยบอกว่าเอ๊ะเวลาเราทำดีเขาก็บอกว่าเราบ้าเวลาเราบ้าเขาก็บ้าเราดีคือพรบน้นมนต์นี่นคืออาการของผีบ้าตามนักปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั่นคืออาการของผู้ทำดี เพิก็เลยบอกว่าเอเวลาเราทําดีนั่งพระบริกรรมพุทธูเขาหาว่าเราบ้าเวลาเราทําเปรียบแบบผีบ้าทมน้ํามนต์เนี่ยเขาหาว่าเราดีมันอะไรกันเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเราให้แยกให้ออกอ่ะให้แยกให้ออกศาสนสถานก็คือวัดบาร า, ามศาสนาพิธีก็คือพิธีรีตองที่งอกขึ้นอย่างดอกเขตนี่แหละ ศาสนาธรรมก็คือพระธรรมคําสัส่งสงของพระพุทธเจ้าศาสนาบุคคลก็คือพวกเรานี่ยแหละทําไมมันเป็นอย่างนี้เพราะให้ความสําคัญกับศาสนธรรมไม่พอศาสนาบุคคลก็เลยไร้คุณภาพมันเป็นลักษณะนี้นะ่ะมันเป็นลักษณะนี้สี่อย่างถ้าเราเอาสี่อย่างมานี้เราจะมอง ภาพของพระพุทธศาสนาออกเลยเดี๋ยวนี้ถ้าไปนั่งหลับตายยมมาเห็นเขาก็จะว่าโอ้อพระองค์เนี้ยไม่มีบารามีเลยนี่พวกเราถ้าไปเห็นพระสร้างบวชสร้างสลาหลังใหญ่ๆโอ้โหอันนี้บารามีจริงๆนี่คือยุโยงส่งเสริมกันผิดทาง ยุโยงส่งเสริมกันผิดทางโอ้สาธุพนังภาวนาเนาะอันนี้ไงยุโยงส่งเสริมเมื่อโยมไม่ศรัท ธ, ธาพระเมื่อโยมศรัท ธ, ธาพระที่ก่อสร้างวัตถุสิ่งของมกากมากก็คือยุโยงส่งเสริมอย่างเช่นคนถูกหวยลังบันที่หนึ่งเอาไปลงเฟซบุ๊กลง นี่คือยุยงส่งเสริมเข้าใจไหมเอ้เราก็น่าจะซื้อพ่องถ้าเห็นแบบนี้นี่เป็นกลิ่นเป็นไอมาแล้วอย่างมันก็ลักษณะเดียวกันนี่แหละ <c oughs> เมื่อโยมพูดออกมาลักษณะนี้ <c oughs> พระพระก็เน้นไปในวัตถุ เมื่อพระเน้นไปในวัตถุก็เป็นการเียอะไรเป็นการสร้างสร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นสองอย่างเนี้ยทั้งศาสนาวัตถุศาสนาพิธีเนี่ยเขาก็จะตีคู่กันไปถ้าตีคู่กันไปปุ๊บศาสนาธรรมกับศาสนาบุคคลเนี้ยก็จะสูญหายไปเพราะฉะนั้นทำไม จะจารย์สุธรรมก็ถามอยู่นะวันนั้นพูกจีตหวงปู่หวงไปไหนหมดอ่ะเพิ่มานะีะยอ๋นผมก็ไม่รู้นะครับเมันโตไม่ทันเนาะเห็น่ามสายกรรมฐานมันโตไม่ทันนห็นไหมเออจะจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเพราะศาสนะธรรมไม่ได้ให้ความสำคัญเรา ถึงแบ่งพระออกถึงสี่ประเภทก็ไม่ได้ว่าใครนะเราต้องเที่ยวไปเราสรุปได้ว่าพระนี่มีอยู่สี่ประเภทแต่ฟังไหมประเภทที่หนึ่ง ประเทศที่หนึ่งคือตั้งใจบวชมีศรัทธาที่จะออกบวชศึกษา เ, าเรียนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแบบพิสดารเพื่อที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อเรียนจบแตกแขนงออกไปเป็นสองในหนึ่ง สอในหนึ่งอย่างที่หนึ่งคือเอาความรู้ที่เรียนมาไปกอบกลวยเอายทถาบรรดาศัก์กอบกลวยเอาราบสการะใส่ตัวเองพอเข้าใจหมประเภทที่สองในหนึ่งตั้งใจเอาศาสนานั้นเผยแพร่กับศรัทธาญาติโยมจัดสาสาพิจี ที่เป็นอรยิยพิจิตให้เข้าถูกต้องกับพุทธศาสนานี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคืออายุมากแล้วอยากจะบวชพอบวชเข้ามาก็ทำกิจสงอะไรไม่ได้สักอย่างอาศัยหอบสังขารบินทบติ มาพบมาฉันปิดประตูบดโบดปิดประตูวัดสวดมนต์ไหว้พระไปตามข้อวัดนิดๆหน่อยๆเท่านั้นอันนี้คือประเภทที่สองมีหนึ่งส่วนนี้เขาก็จะหาป้ากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางองค์ก็อยู่วัดบางองค์กอดสะพายยา่มหาล่อนเด้พระเนจอนอยู่นี่ละ่ะ อันนี้ประเภทที่สองนประเภทที่สามประเภทที่สามนี่คือออกบวชก็จริงใส่ชุดทางพระพุทธศาสนาเลยนะใส่ชุดทางพระพุทธศาสนาเลยใส่เครื่องแบบของพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ให้กับพระพุทธศาสนาเลยเขาไปทำอะไร เขาไปลดน้ำมนต์พมน้ำมนต์พมน้ำมั น, ม น, มนสะเดาะข้อต่อชะตาเขกหัวตีกระบาลดูหมอดูดวงเข้าองค์ทรงเจ้าอันนี้ไม่ใช่กิจของสูงนะพระประเภทนี้ก็จะถือว่าเขาไม่ได้ทำจิตให้กับพระพุทธศาสนาเลยทั้งที่ใส่เครื่องแบบอยู่ไม่ได้โทษใครนะ ไม่มีใครดีไม่มีใครช่วทั้งนั้นแหละแต่ระ บ, บบที่มองเห็นนะประเภทที่4ี่เอาสามเบอกสี่บอกปนึ่งสี่ประเภทที่สี่ทท 4, นี่ก็คือสายพระป่าพระป่านี่ก็แตกออกเป็นสองเหมือนกันนะออกศึกษาทรรมปฏิบัติทรรมดุ ธุดงทุดดอยส่งเสริมตัวเองให้เข้าสู่สนามธรรมเมื่อเข้าถึงสนามธรรมแล้วราบสการะสายหลวงปู่มั่นหลวงตรงาตาเพิ่งก็บอกว่าน้ำอดรมท่วมปากท่วมจมูกเดี๋ยวนี้มันถ้าเป็นละคัง ถ้าเป็นระครังมันก็ผ่านการตีไปนานแล้วที่มันดังอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันกลางวานันคือควอนกับระครังมันตึ้งไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันกลางวันอยู่ <c oughs> พระปลาสายหลวงปู่มั่นเนี่ยคําว่าหลวงปู่มั่นนี้กลางวันอยู่คือผ่านไปแล้วไงคําว่าหลวงปู่มั่นนี้กลางวันอยู่ พวกเลนพวกหล่อนหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เลยพอได้อยู่กับเสียงกลางวานเนี้พอได้อยู่ได้กินกับเสียงที่มันกัางวานอยู่เนี่ยทีนี้ผู้มุ่งปฏิบัติจริงก็จะเร็จไปผู้มุ่งปฏิบัติไปครึ่งๆกลางๆพวกเนี้ยจะอาศัยชื่อของครูบาอาจารย์ อ้างอิงเป็นหลักฐานของตัวเองหาราบสักการะหลอกยมอยู่ทั่วประเทศ้ะบางไหมนะวันนี้ก็คงโชคร้ถูกหลอกแล้ววันเนี้ยมันเป็นลนาานักษณะนี้มันแจกออกเป็นสองอะ ใจเรนนี่มันมันเยอะเลยนะเยอะแต่ก็ท่านเหล่านี้เอามาสรุปนะที่นี่นะท่านเหล่านี้ถ้าท่านอยู่ในลักษณะไหนก็ช่างเถอะขอให้ท่านเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตจนถึงเสียกับเพศพระ ก็ยังมีมีบุญอยู่นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองไม่เอาก็คือไม่เอาเอาก็คือเอาอยาไปมีความคิดต่อไปดีหรือไม่ดีอย่างไรผัวพันไปนั้นคือย้อนมาเป็นของตัวเองทันทีนะเห็นแล้วให้หยุดเห็นแล้วให้พอ ไม่เอาก็คือไม่เอาอไม่ใส่ก็คือไม่ใส่ใส่ก็คือใส่หลวงปู่หลวงนั้นพูดยังไง ร, รู้ไหมถ้าทำชั่วมัก็ลงนรกหมดนั่นแหละครับถ้าทำดีมัก็ขึ้นสวรรค์นี่พานไปว่าจำคำนี้ไว้ให้ดีนะจะไปต่อเติมเลย พราฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึง่งคือส่วนไหนที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเองไม่ต้องคิดเสียวเวลาไม่ต้องคิดอันนี้ไปคิดถึงดราราของเกาหลีก็เหลือผอนเพราะชวัวชัวสมาธิมันจะไปะเขาทิ่ไหนมันไม่ได้ไม่ได้ แต่ทั้าแคบเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาอาจจะมาตอนบินทบาทอยู่ใหม่ๆเนาะอยากจะได้เครื่องดิจิตอลสักเครื่องอะที่มันเช็คความคิดได้อะเมื่อเราเดินบินทบาทมันไปขาดตรงไหนบ้างกาหนดความรู้สึกนี่แนะ่ะเอมันขาดตรงไหนมันนีที่ขาดอยู่นะ อยากทราบถึงขนาดนั้นนะหรือว่าเอามาติดไว้ทรง อ, อกถ้าเราคิดออกนอกกายนะฮมันดังทิทีนะิใจหนี่ก็่็จะดีนะ ค, คิดขนาดไหนรู้ไหมคิดขนาดว่าเอา ด, ดึง หนังเราขึ้นแล้วเอาเข็มมาทิ่มคาไว้อะเอ๊ะ อ, อันนี้เป็นเป็นอาบัตินี่ว่ะทำให้ตัวเองเลือดออกก็มานั่งคิดอยู่กุฏิจะทำยังไงก็พอดีมองไปเห็นไอ้ที่หนีผ้าตากผ้า <s> เอออันนี้ถ้าจะเข้าท่านะก็ <s> <s> ไปเอามาเลยนะ เราก็มาหนีบหนังหน้าท้องเนี่นะเดินทำความรู้สึกปายได้ผลนะเพราะเราหนีบหูนี่ถ้าจะได้ผลนะได้ผลนันนี้ได้ผลเลยโอ้ยปฏิบัติเท้าปฏิบัติโหดนเท้องไม่นอนไม่หลับไม่นอนเป็นอาทิตย์เ่เป็นอาทิตย์ อันนี้พูดออกเพศเป็นประกันได้เลยเป็นอาทิพทั้งวันทั้งคืนเราไม่หลับเลยอันนี้ไม่ใช่โอ้เหรอไม่ใช่โอ้แล้วก็ไม่ใช่เอามาเป็นหลักของที่จะเป็นความผิดนะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังถามว่าได้ง่ายไหมโอ้ไม่ใช่่ึงง่ายนะ คนจะไม่หลับไม่นอนเป็นอาทิตย์นี่ไม่ใช่หรือไงแต่ถามมาทำํำก้าวหน้าไหมก้าวหน้าแต่ฝันนะฝันยืนก็ฝันนะยืนก็ฝันถ้าไม่ได้หลับไม่นอนเป็นอาทิตย์นี่นะเดินจงกรมกลับไปกลับมาเอา้าวมดง่ามมันก็หาม ตัวบุ่งข้ามทางจงกรมอ่ะแค่เราแค่เรามองแป๊บเดียวฝันเลยนะฝันฝันแน่ไปหามคนตายกับเขาเออแต่ไม่ล้มนะไม่ล้มยืนฝันอยู่จนกว่าจะได้สติขึ้นมาอ๋อเราฝันนี่ว่ะ ไม่ลม้มเราก็ก็งงเหมือนกันไม่ล้มเนี่ยนฝะันเรานี่ทำทำทาไปทุกอย่างท่านอาจารย์ขานท่านบอกว่าอะไรเล็กๆน้อยๆก็จะมาถามเอาถามเอาก็ทำไปเลยสิผิดบ้างถูกบ้าง นั่นคือประสบปปการณ์มีลูกศิษย์ทุกหาจะเอาอะไรไปช้อนเขาอ๋อแต่ถึงวันนี้รู้เลยมองความรู้สึกได้ไหมนี่ไม่ได้ได้ไหมไม่ต้องหลับตา หลวงพ่อไวร่ยังบ้างนี่มีไหมพ่อเยอะเหมือนกันเนาะได้แต่ตัวหนังสือสมาธิไม่ได้พยายามแปลตัวหนังสือให้เป็นสมาธิจริงพยายามปรับ การปฏิบัติของตนให้ตัวหนังสือนั้นมาเป็นสมาธิจริ ง, งพ่อวิทยังก็ไปพักทิ่กุฏิสองคืนที่วัดมันก็ามแบบแปลกเนาะ เรียกเราว่าเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสอายุเท่าไหร่นะครับพันว่าอายุเท่าไหร่พรษาเท่าไหร่พันว่าเราตอบมันก็เฉย น, น่ะเรียนมาก็พากันทำหลักเดียวกันแหละของอาตมานี่ยนะ จัดเข้ากันได้เลยจัดเข้ากันได้เลยหวงพ่อเป็นท่ยังเนี่ยมันให้เบื้องต้นของพวกเราสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากส่วนมากเขาจะขึ้นไปวัดอาตมาละเรียนจบแล้วเพราะถ้าเรียนจบแล้วเขาก็ไปทําตามหน้าที่ที่เขาไปทําอยู่ ถ้าขึ้นไปไปเจอคำพูดของอรตมามันก็จะมีกำลังใจฮึดขึ้นอะ่ะเขาก็ไปพรุ่งนี้มรืนนี้เต็มหมดอะ่ะเน้นซลาเลยเขาจัดคอสกันมันมารกกลับรุ่งนี้ก็จะก็ยังจะได้ไปเทิดอีกกันะกลับไปถึงน่าพักค่อนชักแป๊หนึ่ง ชมหนึงก็ขึ้นเทศนะคือพวกเรารูบาอาจารย์ระดับระดับระดับระดับมานั่งตรงนี้เป็นผู้ทรงคุณธรรมทั้งนั้นคำว่าคุณธรรมนี้ไม่ได้เติบโตขึ้นมาเองนะเป็นบุคคลที่ขนไข่หาจริงๆถึงจะเป็นผู้ทรงคุณธรรมได้คุณวุฒ เป็นสิ่งที่เติบโตมาตามธรรมชาตินะคุณนรมุฒิมายาบุตรเนี่ยมายาบุตรเี่เป็นสิ่งที่เติบโตกันขึ้นมาโดยธรรมชาติคุณนรมุฒิเนี่ยสําคัญความรู้ทางใจความรู้ทางความเป็นธรรมเนี่ยนะจะเอาถึงกี่โมงห้าโมง ห้าโมงเลยเหรอห้ากว่าห้าแต่กำหนดพอที่จะไม่ลำเอียงตัวเองนะพลาดก็พลาดสมบูรณ์ก็สมบูรณ์หนึ่งนาทีนั้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่อันนี้เราเราเช็คไม่ได้ไม่เป็นไร ขอให้ขอให้รู้จุดกำหนดเถอะค่อยๆฝึกขออย่างเดียวอย่าทิ้งได้ไหมไขออย่างเดียวอย่าทิ้งแต่ไม่ให้นั่งนานนะการระยะเราฝึกนี้เราเข้าไปดูเฉยๆเข้าไปดูอยู่บ่อยๆ ตอนเช้าก็ให้ได้ห้านาทีตอนเย็นก็ห้านาทีแค่นี้พอแล้วนะแต่กลางวันเนี่ยนึกถึงเมื่อไรเข้าไปได้เข้าไปเลยเข้าไปได้เข้าไปเลยมันจะทีเข้าทีเข้าทีเข้าทีเข้าสุดท้ายก็ขาดทีเข้าเรื่อยๆเพราะอย่างเดียวอย่าทิ้ง แล้วถ้าเรามาอีกนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อสอบนะเข้าไปดูอยู่บ่อยๆกับความรู้สึกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเช้าห้านาทีเย็นห้านาทีถ้าพวกคุณทำได้พวกคุณจะรู้สึกตัวทันทีเลยว่าทั้งจิตและสตินี่รู้สึกว่าเขาคร่องตัวเสียเหลือเกิน ผิดปกติจริงๆอาการก็สดชื่นต่างกันมากอาจารมานี่เป็นคนที่โหดร้ายนะสามารถที่จะกำหนดจิตเนี่ยไล่ปวดหัวปวดท้อง กำหนดใช้พลังกิจสะกดออกปลายเท้าไปเลยนะถามว่าได้ผลไหมมันก็มีนะโอรยะแต่ก่อนเที่ยวจนาันารย์บุญจันทรน์เนเอา้าจะไปไหนกันเป็นวานะจะไปนไี้ไานีไปไหนจย์บุญจันจนี่เน เราออกไปนี่เป็นเห็นหมดนะเป็นเจ้ามาเปา็นด่ามเลยอ่ะจะไปไหนกันน่ะจะไปพนันิพาหรือไปไหนเพราะฉะนั้นพวกเราครูบาอาจารย์บางทีเป็นไปจุราเป็นผ่านมาเป็นเห็นหมดนะ วันสุดท้ายหลวงตาไปหาตมานุงนันที่สามสิบมุกกระดาเรากำหนดจะเทโธงพระประธานพอดีไงก็นั่งสมาธิมวงตามาพอดีเนี่ยุกตามา พอเห็นลงตาเราก็นึกถึงการเททองกันดีอดนด่าแล้วมัก ง, งานนี้จะเททองพ่งนี้เพื่อนก็เดินเข้ามาหาเราเราก็บอกว่าผมไม่กราบนะแต่ผมจะขออกก้อกวดท่าก็เลออบกอดเอวท่านอ่ะท่านยืนอยู่ล้วก็คุกเข่ากด ก่อนเอวดัดแกะมือเราออกแกะมือเราออกแล้วก็ตบไหล่สามครั้งไปเลยนะเอาเราก็ค้างอยู่เอ้มาเรื่องอะไรพอตื่นเช้ามาใสาๆหน่อยเอาน้องตาไปแล้วไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลย หลวงตาไปแล้วอ๋อท่านไปเรายังอยู่โหดจริงๆเราก็มามากังบนว่าต้องดุนดาเททองนี่แ น, น่พะเราเตรียมพื้นที่ไว้หมดแล้วจะเทศองพรุ่งนี้ ถ้างพเปลี่ยนนี้หลงพวกเปลี่ยนนีนนมาตาเนื้อเลยนะนั่งชั้นกาแฟาอยู่เป็นมรณภาพวันที่สนะิบห้าเนอะวันที่สิบแปดนี่ไปเลยเนพูดเป็นภาษาอีสานทุท่หลวงมันนี่ม า, มาลาเลเดอร์เป็นวะ มันนีเมาลากันเราด้คนน่ะเอแล้วก็นะ เ, เ, เปลี่ยนมันบ้านก็ใกล้กันนะ่ะบ้านเกิดของพวกเป็นใกล้กันกับบ้านเกิอของอัตมานะ่ะเลยไปท่านบ่อยบ่อยขนาดไห น, นจนเข้าเวลาไหนก็ได้แล เ, เปลี่ยนนี่นะ คือผู้ที่เป็นสร้างใจพอแล้วมันเห็นสถานที่อยู่คล้ายๆกับว่าเดินออกไปคล้ายๆกับว่าถอดข้าบมนุษย์ออกจะใส่เสื้ออีกชุดนึงอะ่ะ <C oughs> พวกเราเนี่ยถ้า กำหนดไม่พอมันไม่ไปนะ <c oughs> ความสะอาดของใจความบริสุทธิ์ของใจจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐชั่วนิรันดนระ์เพราะว่าอย่าไปต่อเถอะมันทุกข์เหลือเกินถ้าไปเป็นฟาหมาอยู่ทะเลจะไปคุยอย่างไร เดี๋ยวนี้พอเราเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้รอยลูกอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่เรนี้นะเรากลัวกลัวนะ่ะลองเสี่ยงดูไหมเผื่อมันตุมตามขึ้นมาชีวิตที่จะออกไปเมืองเมืองมนุษย์ไปเนี่ยลักษณะการ ไปเกิดไปตาย <c oughs> กับชีวิตที่ <c oughs> กลับตามอริยสาวกเนี่ย <c oughs> ไม่ดีเหรอ <c oughs> ถ้าออกไปตามธรรมชาตินี้ <c oughs> บรรยายไม่ถูกเลยนะ <c oughs> บรรยายไม่ถูกเลย <c oughs> ไปนั่ง ร้องไห้ก็จะแปบเดียวแนะ้ะมันก็จะเป็นปกติธรรมดาออตอนที่จะตายมาคุยกันแล้วก็ลองไปฝึกตอนจะตายสมมติว่าห่วงลูกห่วงหลานนะไปเกิดเป็นลูกของหลาน สมมติว่าห่วงบ้านถ้ามีใครมีคนท้องอยู่ก็พอที่จะเข้าท้องเป็นมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีคนท้องยิ่งจบ ก, ก็ได้อะไรก็ได้ขอให้ใกล้ๆบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวนี้เกิดยากนะมนุษย์ ถ้าจะจิ้งจบตั้งจจะจ ง, ง่ายมาไปกว่านั้นให้ให้เราคํานึงถึงว่าสัตว์ที่ใกล้ที่สุดอ่ะต้องมาแน่จะมีบุญขนาดไหนก็ช่างเถอะจะสร้างบุญไว้ระดับไหนก็ช่างเถอะถ้าจิตสุดท้ายที่จะตายอ่ะกับอารมณ์เนี้ยต้องมานี้ก่อน กี่ชาติก็ไม่รู้นะแต่กี่พบกี่ชาติถ้าเป็นยิ่งจงข้าร้อยชาตินี่ก็จะนานหน่อยอะไรก็ได้สมมติว่าไม่ใช่ยิ่งโจรอื่นๆถ้ามันมันอยู่ใกล้ๆนั้นนะ่ะมันก็จะเข้าตรงนั้นถ้าก็มาหึงมาหวงบ้านอยู่นั่นแหละทีนี้เรา จะไม่ให้ผลเหล่านี้ยเกิดขึ้นก็จะทํำยังไงนี่แหละคือทําจิตให้เป็นหนึ่งก่อนตายนึกถึงบ้านเด้ออไม่ใช่นึกถึงนึกถึงอะไรก็บอกไม่ใช่ทั้งนั้นเขาจะมาตั้งโดอยู่กับเป็นความรู้สึกอันนี้นี่ต้องไปตามบุญแน่นอนตามบุญตาม บาปของเองตัวเองทำไปสิ่งของนี้หมดไปแล้วหมดความยึดมั่นถืงมันไปแล้วเราบอกว่าควรฝึกไว้ก่อนตายไม่ใช่พังงาบพ ง, งาบอยู่จะมาบอกเล่าพุโทโธนะ่ะมเร่าไม่ได้เราไม่ได้อันนี้ให้เรานึกถึงความตายชีวิตหลังการตายอยู่เรื่อย มันจะทำให้จิตตัวนี้หดตัวเข้ามาเราเคยไปเผาศพแล้วจิตมันเบื่อหน่ายไม่อยากทำการทำงานอะไรมีไหมไปเผาศพเพื่อนญาติพี่น้องจิตรู้สึกว่ามันหดหูเสียเหลือเกินไม่อยากทำการทำงานอะไรเลยข้าวก็ไม่อยากกินเราเรียกว่าหด เวลานั่งสมาธิเอาตัวนั้นมากําหนดเลยอาการนั้นเขาหดตัวเข้ามาแล้วเขาหดตัวเข้ามาแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่นนะให้พวกเราเตรียมเตรียมเตรียมทั้งกายทั้งใจอยากให้พวกเราตรวจ ด, ดู ทรัพย์สินหลังการตายพราะเข้าใจไหมทรัพย์สินหลังการตายทรัพย์ถ้าได้แรกเป็นอริยทรัพย์แล้วจะเป็นเครื่องหมายที่แน่นอนไม่สูญหายไม่เป็นของใครแน่นอนไม่บิบัติกับภัยบิบัติใดๆทั้งสิน้นเป็นของส่วนบุคคลโดยเฉพาะนั่นคือ สมบัติหลังการตายแล้วก็ไปได้ทุกภพทุกชาติที่เขาเป็นฉลามกรองโรคอยู่ในทะเลขเขาก็ยิ่งใหญ่พสอสมควรนะแต่เขาลืมสร้างบุญแต่เขาเริ่มสร้างบุญ เขาก็ยิ่งใหญ่พอตัวนะจนไม่มีใครกล้าแตะใหญขนาดไหนรู้ไหมจำว่าพระเจ้าเป็นดินกูไม่ใช่เนอะ ฐานะของเขาอยู่ในทะเลเนี่ยเขาใหญ่กว่าประธานที่บอดีนะเขาใหญ่กว่าใครทั้งนั้นความเป็นบาปเป็นบุญอนะัมันส่งไปทั่วเราก็จะได้เห็นได้ยินนิทานจากพระสูตรหลายๆอย่างอยู่มกักง พอเราเกิดขึ้นในทรรการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เอามาบัญญัติไว้เป็นพระสูตรพระวินัยพระประมาธธรรมให้พวกเราได้ศึกษาอยู่นะใครมีบทบาทที่สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาลลักษณะไหนลักษณะไหนเอามายกให้เป็นตัวอย่างสําหรับพวกเราทางนั้นมาถึงยุคของพวกเรามันก็มันก็เริ่ม ออปเปี่ยนออกไปเบี่ยนออกไปเดี๋ยวนี้ทุดงควาดหายไปไหนธุดงควาสสิบสามข้อหายไปไหนนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้รูปแบบของลัทธิรูปแบบของศาสนามันล้มไปนานแล้วมันล้มจมดินไปนานแล้วน้องปุ่มันบวชเข้ามาก็าไปเห็นอเออ อันนี้เ็ um, ของดีนี่วะหลวงปู่มันมาจับตั้งขึ้นมาตรงแนวเลยนะพอหลวงปู่มันตั้งขึ้นตรงเอาคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาหลวงปู่นั้นก็เห่เข้ามาบวชบวชบวชสำเร็จเป็นพระอาหารกันหมดพอหลวงปู่นั้นกลับบ้านกลับไปมรณะภาพบ้ า, บางเอา้าหลวงปู่นั้นก็มีลูกศิษย์ลูกขาหลวงปู่นั้นก็มีลูกศิษย์ลูกขาเหลนหลวงปู่มั่นเกิดขึ้นแล้ว ทีนี้หลวงปู่ขั้นต้นของหลวงปู่มั่นมาลาภาไปมาลาภาไปไอจะอพระธรรมที่ทั้งตรงเน่วไวน้นี่เอาเอาจะล้มอีกแล้วจะล้มอีกแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นเออมันหายไปทุดงควัดก็หายก็วัดปฏิบัติที่ น้องปู่เพิ่นทรงไว้ก็หายเราก็ทรงไว้เต็มที่แต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้มันปล่อยให้ใครไม่ได้สอนใครไม่ได้เออมันก็หายไปตามยุคตามสมัยเพราะฉะนั้นศาสนาศาสนาเนี่ยจะแหลมไปเลียวไป ท, ทั้งทั้งที่ผู้ถือไม่ได้ตั้งใจสลัดทิ้งแต่ก็หล่น ขาเจ้าบอกทีนี้ความเป็นศาสนานั้นกจ็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแต่ละครั้งจะไม่เท่าเก่าเสื่อมลงมาแต่ละครั้งจะมากกว่าเก่าเจริญขึ้นเสื่อมลงจเจริญขึ้นเสื่อมลงอยู่อย่างนี้แต่จเจริญขึ้นแต่ละครั้งนี้ไม่เท่าเก่าสักที เพราะเสื่อมลงแต่ละครั้งนี่มากกว่าเก่าพวกเรายังเจอแบบเต็มๆนะถ้ายังงอแ ง, งกับตัวเองอยู่แล้วตายเลยนะตายเลยนะรีบรเผด็จศึกตัวเองความขี้เกียจขี้ค้านมันก็แฝงอยู่นี่ลนะ่ะ แบงอยู่นี่ยะรีบความมันลงไปถ้าความตัวเองได้กโ็โลกนี่ไม่ใช่โลกของเราสุรพลมันน้องอยู่หรอถ้าโลกของเราเราตรงด้วยล้นเหลือมันวะนะมันเป็นยันลักษณะนี้หรอสู้โลกผู้ขันบรรดาในอุดหนักเหมือนกันอนะ่ะเวลาประชุมส่งนึ่น ก็จะถามตั้งแต่องครองจนถึงองค์สุดท้ายเลยนะถ้าบอกว่าไม่มีอะไรนี่พระเทวดานี่ะข้าวก็ไปขอเขามากินงานก็ไม่ได้ทำบาทลูกเดียวฉันเสร็จก็ไปล้างกีจ ด, ดวงเดียอมันเอาไม่ได้เลยมันโง่จะตายเป็นางนะมันโง่จะตายเป็นไงพ ถ้าคำนี้ออกมานี่พระทศตวรรษไฟไหม่เลยนะร้อนปุดปดพูดอยู่ไม่ได้คำพูดเพรว่าอาหารเนาะทางจงกรมเนี่ยกระจุยหลุยแหลกหมดนฝนลงเปียกแล้วเปียกแล้วแห้งแล้วแห้งแล้อยู่ มาคิดดูสรุปท้ายก็พึ่งอยากให้เราเป็นคนดีพึ่งอยากให้เราเข้าถึงอัดถึงทำอาตมาก็เหมือนกันนั่นแหละอยากให้พวกเราถึงอัดถึงทำมันมีนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่มัน่น น, นี่หลวงปู่เหรียนเป็นผู้ติดตามหลวงปู่มั่นไปจะไปสร้างวัดเรียมอำเภอเราเนี่แหละไปอยู่วัดอำเภอเถาเนี่ยแหละที่เป็นวัดหลวงปู่มั่นทุกวันเนี้ยคนทั้งหลายก็ได้ยินข่าวว่าหลวงปู่มั่นมารู้สึกว่าเขาจะมาแคบเกือบทุกคนในอำเภอเถาแน่นเลยนะหลวงปู่เหลียนเมื่อก็บอกว่า หลวงปู่เพื่อก็จะแสดงธรรมเพราะหลวงปู่มันได้เวลาเพื่ก็ขึ้นแสดงธรรมเทียดไปเทียดไปสักหานาทีสิบนาทีคนนี้หมดเลยนี้หมดหลวงปู่เรียนก็นั่งอยู่ข้างล่างก็เออเกิดอะไรขึ้น หลวงปู่พันก็์ประเทศไปจนถึงเวลาเอวังเพกอ่อเเอวังลงมาเันไม่พูดอะไรชัาร่าคำนะลงมากลาวพระพุทธรูปแล้วก็ขึ้นปุตรีไปเลยหลวงปู่เหรียญในงงเลยนะอันนี้ปุดเหดรีย์เท่านะเอ๊ะมันเกิดอะไรค่ะครั้งแรกที่หลวงปู่มั่นไป ที่ไปหาหลวงปุ่มั่นก็มีแต่คนเหนือทั้งนั้นเทศเรื่องปฏิบัติรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เขาไม่เข้าใจเขาหนีหมดเลยวันนี้ไม่หนีเนาะสด้า ทัานให้เขาใจนี้เขาหนีทันทีก็เลยตั้งเป็นวัดหลวงปู่ ม, มั่นขึ้นเน่ะเขาจะจัดงานวันเกิดหลวงปู่ ม, มั่นยี่สิบมกราเนี่ยนะทางจังหวัดเชียงใหม่เขาจะไปจัดเขามันมีมนต์อารถรา์ไปเป็นองค์เทศกดได้ ไม่เวลาเราเท่าไรอ่ะถ้าชั่วโ ม, มงเราไม่เทสนะเราก็บอกว่าเอพระจึงไม่มีแต่ปีปากดีๆทั้งนั้นนะทาไมไม่เอาอ่ะผมไม่เอาขุนจะเอาวาอาจารย์อันนี้เป็นคําพูดของจะเอาว่ า, า, นน เ, า, วาเขานะี่ยเอาได้แถว เ, เราได้แต่มันมีองค์ ที่สองที่สามไปไหมล่ะถ้าเราเดียเด๋ยวๆนี่เราได้นะห้าชั่โมงคนจะคนจะฟังไหมแค่นั้นนะ่ยโประเทศที่นี่นะง้นหลวงพวกเปลี่ยนนี่หลวงก่อเทศสองครั้งนะ่ย อยู่วัดนี่เรก็รู้สึกว่าชัดเจนนะคนเรียนของหลวงพ่อก็ขึ้นไปนั่นหมดแนตะนมากความรู้ตัวหนังสือแล้วก็บอกเขาว่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดอนะ่ะคุณเรียนจบตัวหนังสือคุณยังไม่ งานของคุณยังไม่เสร็จนะถ้าคุณเรียนจบส่วนหนังสืองานของคุณยังไม่เสร็จเพราะงานรูปแบบของการพัฒนาทางใจมันต้องประกอบไปด้วยสองอย่างคือปริยัติแล้วก็ปฏิบัติส่วนที่จะมาประกอบ เป็นองค์ที่สามคือปฏิเบธธรรมคือผลของการปฏิแบบัติถ้าสามอย่างนี้ได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วนั่นคือา ง, งานของท่านเสร็จแล้วเหมือนเราไปต่างจังหวัดสมมติว่าจะไปวัดใดวัดหนึ่งอ่ะมองเห็นป้ายนี่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไหม ถ้าไม่มีป้ายเราก็จะบ่นหาป้ายถ้าเห็นป้ายก็เท่ากับว่าอะเห็นจุดแล้วครั้งแรกครั้งที่สองรู้สึกว่าป้ายเนี่ยมันมีความหมายเหลือเกินถ้าไปครั้งที่สี่ที่ห้าหมดความหมายแล้วไปเพราะความชํานาญใช่ไหม ถึงแล้วป้ายไม่เห็นเลยแต่ก่อนนี้โอ้ป้ายอยู่ที่ไหนอะคือลักษณะตัวหนังสือในการเรียนก็เหมือนกันนี่แหละความสำคัญในการที่จะตะเตีกติกาเขามีบทบาทมากตัวหนังสือพอเข้าถึงมหาสมุทรของธรรมทะเลธรรมแล้วพวกนี้ก็หมดความหมาย ถ้าเปรียบเทียบพระพุทธเจ้านะ่จุงมือของพวกเรามาสู่มหาวิทยายัยภายพนิ่านยังไม่พอนะหลวงพ่อวิริยังมาจุงมือของเราเนี่ยไปสู่บันไดของพายในผ่านเลยนะทจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเรีนรักษณะนี่นะแล้วก็เออ ท่าสงสารนะสงสารพวกคุณพวกคุณไม่ใช่คนโง่น่ะคนฉลาดแต่ขาดการศึกษาขาดการศึกษาทางออกถ้าเป็นปลาก็กระโดดแล้วกระโดดเล่าอยู่กระโดดแล้วก็ตกลงที่เก่าที่เดิมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่มีพลัง ผู้มีพลังนี้เดินออกอย่างสบายเลยไม่ได้กระโดดเลยเราสงสารพวกคุณมีศรัทธาระดับหนึ่งแต่ไม่มียานพาหนะที่จะนำออกเข้าใจไหมมีแต่ศรัทธาระดับหนึ่งไม่มียานพาหนะ โลกของความเป็นจริงเป็นหนทางบันเวนะโลกพนิภานใครไปถามว่าใครเข้าไปสู่โลกของะนิภานแล้วมีคำถามว่าอาชญาบ้าดีไหมผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายเพราะมันไม่มีทุกงไงอยู่ประเทศนั้นเห็นหน้ากัน จบเรนะื่องนะไม่ไม่ถามอะไรเลยยานาการในประโยคก็ให้ปไปเลยเพราะมันไม่มีคำพูดถ้าไปทัถามสบายดีหรอนะึ่โพโดๆผิดมากเลยนะแล้วมันสบายมาตลอดไงเพราะฉะนั้นโลกของความเป็นจริงต้องไปด้วยกายทิพย์ ต้องไปด้วยจิตที่ใสบริสัทธ์บริสุทธิ์ก่อนที่จิตดวงนั้นจะใสสะอาดบริสุทธิ์ก็อาศัยร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องส่งเสริมพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็มาประเทศมนุษย์นี่แหละอริยเจ้าจะเกิดขึ้นได้กเกิดขึ้นที่ประเทศมนุษย์นี่แหละไม่ได้ไปเกิดที่ไหนนะ เพราะฉะนั้นเราก็เป็นมนุษย์ยืนอยู่เมืองเมืองเมืองมนุษย์ก็น่าจะสำเร็จมันติดอะไรอ่ะมันก็คงจะมองเห็นอยู่นะติดโทรศัพท์มันติดอะไรเพราะฉะนั้นสรุปท้ายนี่ก็ให้พวกเรารักตัวเอง ส่วนที่เป็นของคนอื่นอย่าไปพิพากษ์วิจารณ์อย่าไปโตเติมให้เป็นเรื่องเป็นราวเวลาของเราเหลือน้อยเสใชเหลือเกินรักตัวเองให้ถูกทางสิ่งไหนที่ผิดก็รีบแก่สิ่งไหนที่กําลังเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช้ไม่ได้ก็รีบตัดออกไปเวลามันเหลือน้อยพอจวนตรอบ คือบรนตาย่ะเราจะได้ภูมิใจในตัวเองถ้าไม่มีอะไรเอาซะเลยเราจะตายไปในความไม่รู้เรื่องนะ่ะจะทำยังไงสงสารตัวเองตรงนี้ถ้ามันคิดไม่ดีกับใครสักคนเนี่ยย้อนเข้ามาเลย ตัวของเรานี้พร้อมหรือยังถามมันทันทีเลยถามมันทันทีเลยเอาข้าความคิดของเรากาลังคิดนั่นแหละมาถามมันเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของเขานี่คือการโกกกรรมอยู่ตลอดเวลาเราจะเอาอะไรวันนี้ข้าพอถึงเวลานอนก็หลับ ดื่นขึ้นมาก็รู้ว่ายังไม่ตายแต่หารู้ไหมว่าใครวันตายเข้าไปอีกวันหนึ่งสมมุติว่าวันตายของเราเหลือร้อยวันดื่นขึ้นมาเหลือเก้าสิบเก้าื่นขึ้นมาเหลือเก้าสิบแปด เก้าเจ็บเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสมเก้าหนึ่งลงไปเรื่อยๆมันเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวนี้พอดีอาวิชามีอำนาจปิดบังไม่ให้ใครรู้วันเกิดวันตายทั้งนั้นแ่ะถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายวันนั้นเนี่ยพอยุ่งเลยหนังงานนี้นะยุ่งเลยโลกนี้ไม่รู้ว่าจะเป็น บางคนก็ขับรถมาจากอีสานนะโอ้พวกนี้เราจะตายแล้วขอเที่ยวสักหน่อยเถอะ <c oughs> พอดีมันรู้ไม่ได้ <c oughs> ก็เลยดีไปแต่ดีไปก็ไม่น่าจะตายใจนะเพราะคำพูดคำหนึ่งยังทันสมัยใช้ได้อยู่เสมอนะคำพูดคำนี้ ทันสมัยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยด้วยไม่น่าเลยนะอไม่น่าเป็นเลยนะไม่น่าตายเนาะคุยกันอยู่เมื่อวานนี้คำนี้ยังใช้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าคำนี้ยังใช้ได้ความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนเป็น สมบัติของโลกสมมุติอันนี้โดยตรงเข้าใจไหมถ้าเอาไปทิ้งนี่ก็เกินไปเนาะทอะ ม, ามามักงบบนี้